เมื่อไม่กี่วันมา น, นี้นะมีข่าวแปลกๆเกิดขึ้นที่ประเทศอินเดียสามีภรรยาคู่หนึ่งนะอายุประมาณสัก60สนะิบนี่าสิบปลายๆ60ต้นๆฟ้องศาลนะคนที่ถูกฟ้องก็คือลูกชายแล้วก็ลูกสะพ้ายเรื่องพ่อแม่ฟ้องลูกนี่มันก็ก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะมันก็มีอยู่เรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่ก็ ฟ้องเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินแต่ว่ากรณีนี้นี่ไม่เกี่ยวเลยนะไม่ได้เกี่ยวเรื่องช่อโกงหรืออะไรแต่ฟ้องลูกชายแล้วก็ลูกสะพ้ายเพราะว่าไม่ยอมมีหลานให้พ่อแม่แต่งงานมาหกปีแล้วไม่มีลูกสักทีพ่อแม่เลยไม่มีหลานเชยชมพ่อแม่ก็เลยฟ้องลูกสาว ลูกชายล้วก็ลูกสะพ้ายสเลยแล้วก็เรียกร้องนะว่าถ้าไม่มีลูกในหนึ่งปีนะจะเรียกค่าชดใช้ยี่สิบล้านบาทยี่สิบล้านบาทถ้ามีภรรยาคนนี้ก็อ้างว่าเนี่ยลูกชายคนนี้นี่กว่าจะเลี้ยงดูมาจนกระทั่งมีครอบครัวมีเย่ามีเรือนนี่ก็ พ่อแม่นี่ก็ต้องใช้เงินใช้ทองไม่ใช่น้อยนะเงินเก็บที่พ่อแม่หามาได้นี่ก็เอามาใช้เลี้ยงดูลูกให้เติบโตลูก่อแล้วนี่พ่อแม่ยังต้องหาทางส่งเสริมให้มีอาชีพการงานอย่างเช่นเนี่ยพ่อแม่บอกว่าเนี่ย เสียเงินไปไม่ใช่น้อยนะสองล้านบาทให้ลูกได้ไปเรียนวิชาขับเครื่องบินนะให้เป็นนักบินลูกเรียนจบแล้วก็กลับมาก็ไม่มีงานทำพ่อแม่ก็ต้องส่งเสียเลี้ยงดูจนกระทั่งพอมีอาชีพตอนหลังนี่ก็หา ภรรยาให้แต่งงานนี่ก็ใช้เงินไปไม่ใช่น้อยนะให้ลูกได้แต่งงานในโร ง, งแรม5้าดาวแพงมากแถมซื้อรถให้ด้วยนะรถหรูราคา3มล้านแล้วแถมยังอกค่าใช้จ่าย ใ, ให้ไปอานิมูนนะต่างประเทศ สามีภรรยาคุ่นี้ก็อ้างว่าโหนหมดเงินไปไม่ใช่น้อยกับลูกชายคนนี้ด้วยความหวังว่าลูกชายนี่จะมีหลานนะให้พ่อแม่ได้เชยชมนะแต่ว่าลูกชายก็ไม่ให้ความร่วมมือด้วยนะก็เลย ฟ้องซะเลยนะแต่คงจะกลัวนะว่าฟ้องแบบนี้นี่มันจะสามก็จะรับฟ้องไหมลูกชายลูกสะพ้ายทำผิดตรงไหนนะไม่มีลูกนะให้พ่อแม่ก็เลยอ้างว่าเนี่ยนะลูกชายกับลูกสะพ้ยนี่คุกคามนะ คุกคามบีดพันจิตใจของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ถ้าอ่านแบบนี้เนี่ยนะเออมันก็ศาลก็สามารถจะรับฟ้องหรือเอาผิดได้นะถ้าเกิดว่ามีหลักฐานเพียงพ อ, อนี่ก็เป็นเรื่องแปลกนะผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่นี่แกก็บอกนะว่าเนี่ยถ้าหากว่าลูกชายมีหลาน ให้พ่อแม่นะพ่อแม่ก็จะได้นะเล่นมีเวลาเล่นกับหลานนะได้เชยชมหลานไอความทุกข์ที่มีหลังเกษียณเนี่ยมันก็จะเบาบางลงอ้างแบบนี้นะว่าเนี่ยถ้ากเกษียณแล้วนี่ตัวเองไม่มีหลานไว้เชยชมหรือว่าเล่นด้วยมันจะทุกข์มากเลย เรื่องนี้มันก็เป็นมันสะทออ้อนถึงความขัดแย้งแตกต่างกันนะระหว่างคนสองรุ่นลูกชายลูกสะใภาเนี่ยก็เป็นคนรุ่นใหม่นะก็คงคิดว่ายังไม่อย่างมีลูกเร็วๆหรือว่าอาจจะคิดว่าไม่อย่างมีลูกเลยนะคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้นี่จานวนมากนี่เขาแต่งงานกันแล้วก็ไม่คิดจะมีลูกแต่ว่าคนรุ่นเก่าเนี่ยนะโดยเฉพาะคนที่ อ, อยู่ในวัยที่จะเป็นปู่เป็นยา่าเป็นตาเป็นยายได้ก็อย่างมีหลานไอ้ที่สามีภรรยาคู่นี้นี่แกพูดนี่น่าสนใจนะีบอกว่าเนี่ยถ้ามีหลานไม่เชยชมไอ้ความทุกข์ใจมันก็จะบรรเทาเบาๆลงไปให้ถามว่าทุกข์ใจเรื่องอะไรนะจริงๆก็ ไม่ใช่แค่พออยู่พอกินนะร่ำรวยนะก็ไม่น่าจะมีความทุกข์ใจอะไรนะไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจอะไรละเรื่องทํามหากินแต่ทุกข์ใจก็เพราะว่าพอกเกษียณแล้วนี่ถ้าไม่มีหลานไ้เชยชมไม่มีหลานเล่นด้วยเนี่ยมันเหงามันว้าวเวเพราะว่าลูกลูกสะพายก็ไปอยู่อีกบ้านหนึ่ ง, งสงสัยนะหรือถึงอยู่บ้านเดียวกัน ก็ไม่ค่อยมีเวลาพูดคุยกันอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วไปเมืองไทยก็แบบนี้นะเดี๋ยวนี้ความทุกข์ของคนแก่นะหรือคนวัยเกษยียณคือว่าไม่มีอะไรทํางานการก็เกษยียณแล้วนะอยู่ไปนานๆมก็เหงามันก็ว้าวเวทั้งที่จะไปเที่ยวไหนก็ไปเที่ยวได้ตามสบายจะอยากกินที่ไหนก็ไปกิน แต่พอทาไปนานๆมก็เหงานะบางทีถึงขั้นว่าไม่รู้จะอยู่ไปทำไมอันนี้ก็เป็นปัญหาของคนที่เป็นพ่อแม่หลายคนในยุคนี้ซึ่งสมัยก่อนนี่มันไม่เคยเป็นปัญหานะเพราะคนเท่าคนแก่นี่เขามีสังคมนะในหมู่บ้านหรือว่าในละแวกบ้านอยู่ในเมืองก็มีเพื่อนบ้านนะในละแวกนะแถวตลาดบ้าง ว่างๆก็ไปไปพูดไปคุยไปเล่นหมากลุกไปโขกหมากลุก่ก า, กกางทีก็ไปเล่นไพ่กันแต่ว่าสมัยนี้นี่ต่างคนต่างอยู่นะถ้าไม่มีงานทำนี่มันเหงามากมันว้าวเวมากแต่ถ้ามีลูกถ้ามีหลานดูลแลมันก็ทำให้มีความสุขแทนที่จะคิดถึงความแก่ชารา คิดถึงอนาคตที่มันหดซันลงไปทุกทีหรือคิดถึงความตายมาได้เห็นเด็กเล็ก ๆ, ๆยิ้มแย้มแจ่มใสมันก็ทำให้จิตใจของคนเฒ่านี่แจ่มใสนะเบิกบานลืมเรื่องความแก่ลืมเรื่องความตายหรือเรื่องอนาคตที่มันเป็นขาลงมันนึกถึงขาขึ้นของหลานจิตใจมันก็ช่มชื่นแต่พอไม่มีหลาน อันเนี้ยทุกเลยนะแล้เดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้กันมากขึ้นนะไม่ใช่ อ, นอนินเดียอย่างนี้เมืองไทยก็เป็นนี้เยอะคราวนี้กรณีนี่นะเขาคงจะคิดว่าเนี่ยอุตส่าห์เลี้ยงส่งเสียลูกชายมาลูกชายนีนแทนจะกระตันอยู่คิดถึงพ่อแม่บ้างยอมพ่อแม่บ้างพ่อแม่อยากให้มีหลานแต่ว่าพอ ไม่ยอมมีหลานให้พ่อแม่ก็เลยโมโหนะฟ้องฉันเลยนะพูดคุยก็ไม่รู้เรื่องแล้วต้องใช้กฎหมายบังคับให้มีลูกภายในหนึ่งปีไม่งั้นจะเรียกค่าเสียหายนะสองยี่สิบล้า น, นะนนี้ก็เป็นเรื่องที่มันสะท้อนนะให้เห็นถึงความทุกข์ของคนสมัยนี้ที่จริงคนแก่คุณชาราเนี่ยนะแม้ว่า กเกียแล้วไม่มีอะไรทําไม่มีหลานดูแลอย่างคนแก่ในชนบทแต่ที่จริงถ้ารู้จักนะใช้เวลาที่มีอยู่ให้มีคุณค่ามันก็ได้นะเดี้ยน้อยในเรียนรู้ที่จะอยู่ตัวคนเดียวให้เป็นเดี๋ยวนี้อยู่กันตัวคนเดียวไม่ได้นะอยู่กับตัวเองลำบากถ้าไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีสังคมนี่มันทุกข์มากเลย สมัยนี้มันต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวให้เป็นนะการมาวัดมาเจริญสติมาทำสมาธิภาวนา น, นี่มันก็ช่วยได้นะหลายคนก็พอชลาแล้วก็ถือโอกาสเป็นโอกาสดีนะเข้าวัดมาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเรียนรู้ที่จะอยู่นะกับตัวเองให้เป็นหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยก็หาอะไรทําให้เป็นจิตอาสามีคนเท่า กเกษียณแล้วนี่อยู่ไปวันๆหนึ่งเหงามากเลยชิดเหมือนกับเป็นขยะไม่มีคุณค่าแต่พอไปเป็นจิตอาสานะโอ้จิตใจนี่เบิกปาเลยนะบอกกับใครๆว่าเนี่ยผมเนะี่ยคือขยะคืนชีพแต่ก่อนนี่เป็นขยะไม่มีคุณค่ารู้สึกว่าไม่มีคุณค่าแต่พอไ ป, ปจิตอาสาแล้วมันมีชีวิตชีวาขึ้นมาอันนี้ก็เป็นทางออกนะของคนชราวัยเกษียณ น, นะ ได้เหมือนกันนะไปเป็นจิตอาสาไปช่วยเหลือคนที่ก็ตกทุกข์ได้ยากไปเยี่ยมคนป่วยนะไปช่วยเหลือที่โรงพยาบาลเป็นจิตอาสาแนะนํำญาติผู้ป่วยให้ไปช่องนั้นช่องนี้เดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีคนอย่างนี้เยอะนี่มันทาให้ชีวิตมีคุณค่าขึ้นมาแล้วก็มีชีวิตชีวาอันนี้มันดีกว่าไปเรียกร้องให้ลูกนี่มีลูกไปเรียกร้องให้ลูกนี่มีหลานให้ตัวเองเชยชม ซึ่งที่จริงมันก็อาจจะสุกชั่วคราวนะแต่ว่าอาจจะทุกยาวนานก็นไดนะ้เพราะว่ามันกลายเป็นห่วงขึ้นมานะคนเดี๋ยวนี้นี่นะเมื่อจะถึงวัยเกษียณหรือเมื่อจะแก่ชราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจนะว่า เ, เราจะใช้ชีวิตอย่างไรนะไม่ให้เหงาไม่ให้ว้าเวนะไม่ใช่ไปเรียกร้องจากใครต่อใครไปเรียกร้องจากลูกให้มีหลานให้พ่อแม่สมัยนี้มัน อาจจะไม่ค่อยได้สำเร็จหรือว่ า, าสมหวังเท่าไหร่ก็ได้นะ